วันนี้เรื่องตัวกูเรื่องความรู้สึกน่าจะเข้าใจเยอะแล้วนะครับเวลาฟังเมื่อก่อนอาจจะฟังท่านพุทธทาสฟังตัวกูของกูแต่ก็ไม่เข้าไปถึงเนื้อธรรมแต่ตอนนี้เห็นโอ้มันไปยึดโอมันเป็นของกูจิตเป็นตัวกูก็เลยไปยึดขันเป็นของกูมันเริ่มเข้าใจภาพทั้งหมด พอตายก่อนตายก็คือให้ตัวกูเนี่ยมันตายพอตัวกูตายขันก็เป็นอิสระก็เป็นวิสุทธิขันตัวกูก็ตายแล้วนี่ตายก่อนวันข้างหน้าพอขันมันตายเนี่ยก็มันก็ตายไปตามธรรมชาติแค่นั้นเองมันจะมีใครตายไหเมื่อไม่ไปยึดขันมาเป็นของกูอีกก็ไม่มีใครตายก็ธรรมชาติก็ตายไปเหมือนต้นไม้ตายไปก็ตายไป ก็ไม่ทุกขกับมนอีกแล้วนะครับตายก่อนตายตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายคือความรู้สึกว่าตัวตน ต, ต, ต, ตัวคููของคูอะไรเนี้ดับไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายเข้าใจไหมครับเข้าใจหมดแล้วนะครับ ท่านึกภาพผมนั่งแล้วก็ปุ๊กนั่งเนี่ยเนี่ยกระเพาะไปยึดขันเนี่ยเป็นของเราก็เป็นตัวกูของกูเมื่อก่อนพอจะตายก็ทุกข์กับมันนะครับแต่ถ้าดับความรู้สึกที่เป็นตัวกูซะที่จิตโง่เนี่ยมันก็หลุดกันหมดนะครับก่อนแต่ก่อนแต่ที่จะตายทางร่างกายนั้นท่านสอนให้ดับตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนวต่าของตน ซึ่งเปิดอยู่เป็นประจาเสียดับมันเสียดับมันเสียดับความรู้สึกว่าตัวตนนี่เสียหาก่าา อ, อ น, อต น, น, น, น, นต layer, แต่ที่ร่างกายจะตายจริงอย่างนี้เรียกว่าตายเสียก่อนตายตายทีแรกหมายถึงตายแห่งอวิชชาความไม่รู้ความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนนั่เสียแล้วก็ตายของตัวตนในความรู้สึกแก็ตายเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายจริง นี่เป็นความดับทุกข์อย่างยิ่งฉันมีดีเพราะถูกด่าหน้าหัวไหมยิ่งดีใจเพราะถูกด่าดูหน้าหัวใครจะด่าสักเท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วอย่างเขาดา่านั่นอย่าเกรง ใครมีดีคนก็คิดรติยาหาแ ง, ง่ด่ากันกโมงล้วนโชงเชงไปที่สวนโมกเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ของท่านจะมีแฟ้มอยู่แฟ้มหนึ่งหนามากแค่นี้ยท่านเก็บทุกอย่างที่คนก็ด่าท่านเอาไว้ครับแล้วท่านก็เขียนหน้าแฟ้มว่าคนด่าพุท ธ, ธาทาสเก็บทุกอย่างที่คนด่าท่านไว้ เต็มเลยท่านกบวีกรออันนี้ด้วยตอนนั้นไม่มีคนเข้าใจจริงๆเรื่องที่ท่านพูดหาว่าท่านเป็นพระคอมนิตประนุกรมในประเทศอินเดียนคำว่าธรรมะธรรมะนั้นแปลว่าหน้าที่ตำว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าคาสั่งสอนของใครอ่ะมั น, น, นกลายไปมองแต่ในวงแค่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนในทางศาสนา โดยลืมไปว่าธรรมะตัวตัวธรรมะคือตัวหน้าที่หน้าที่ก็คือความรู้เรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงนี้ก็คือความลับที่ท่านทั้งหลายจะไม่เคยนึกเคยฝันหรือไม่เคยรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่จึงขอร้องเป็นข้อแรกคาแรกในเรื่องตนนี้ว่าจงรู้จักกันเดียวนี้เกิดว่าไอ้ธรรมะนั้นคือหน้าที่หรือหน้าที่น่ะคือตัวธรรมะคือหน้าที่ที่จะกําจัดกิเลสนะกาจัดทุกข์ ามให้ข้าวร่องข้าวรอยของพระอรหันต์กันเจทีเถิดจะได้มีการยกหูชูหางเรื่องตัวคูเรื่องของกูเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องดังเหล่านี้มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสตัวนี้ทั้งนั้นเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องลาภสักการะเสนเสริญเยือนยอเรื่องความมีหน้ามีตานี่มันกลับเป็นอาหารของกิเลสที่เรียกว่าตัวกรูของครู ถ้ารู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วพอตัวกูไม่มีอะไรดีจใจเขามาไหว้ได้อย่างไรก็ <c oughs> ริลัดออกไปเสียว่าไหว้พระเิดเพื่อนเอย๋ย <c oughs> ถ้าลูกเด็กๆมันไหว้แล้วก็ว่าไหว้พระเธอลูกเอย๋ยหลานเอย๋ยนี่เป็นข้อปฏิบัติแม่าจะฟังดูแล้วรัดสั้นเล็กนิดเดียวแต่มันมีอานุภาพมากที่จะชาระชะล้างเสียซึ่งอนุสัยแห่งตัวครูของกู คนในโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้มีความรู้อย่างพุทธศาสตร์มากหรือว่ามีความเชื่ออย่างไสยศาสตร์มากเมื่อมาเชื่อว่ายังมีความรู้อย่างไสยศาสตร์นั้งหละมากกวา่าแต่เราไม่เคยมองกันหรือมองกันอย่างไม่ไม่ละเอียดแมพวกที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษรัทก็ยังเป็นไสยศาสตร์อยู่ตั้งครึ่งตั้งของ้อม พุทธบระกอบคนไหนนี่ฟังให้ดีๆุทธบระกอบคนไหนมันกราบพระพุทธรูปลงไปโดยคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้ช่วยอย่างนี้นั่นมันก็ยังเป็นสยศาสตร์แต่ถ้ามีผู้ประกอบคนใดมารู้ว่าพระพุทธเจากก้าประสรูฐอะไรมาปฏิบัติตามระดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เห็นเลความดีความจริงความถูกต้องของพระพุทธประธรรมประสงค์อย่างนี้แล้ว กาพระพุทธรูปลงไปอย่างนี้กราบนั้นเป็นพุทธศาสนาพวกเราเป็นพุทธศาสนิก เ, เป็นแล้วนะครับกาบไปที่ปัญญาการตรัสรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรคให้ท่านเข้ามือน้ำก่อนนะครับแล้วสามโมงครึ่งค่อยเข้ามาใหม่